พระบัญญัติ392ก็ภิกษุใดขัดเคืองมีโทสะไม่เช่มชื่นอ้างเอาบางส่วนแห่งอธิกรณ์เรื่องอื่นเป็นเล่ใส่ความภิกษุด้วยอบัติปาราชิกโดยมุ่งหมายว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรมจรรย์นี้ได้ครั้นสมัยต่อจากนั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งโจ์ก็ตามไม่โจ์ก็ตามอธิกรณ์นั้นเป็นอธิกรณ์เรื่องอื่น อ้างเอาบางส่วนเป็นเล่และภิกษุยอมรับผิดเป็นสังฆาธิเศษเรื่องพระเมตยะและพระภมิชกจบ